วันนี้หลวงพ่อเองได้มาพบมาเจอพวงประชาญาติโยมที่มารวมในงานในครั้งนี้งานนี้ถือว่าเป็นงานอันยิ่งใหญ่เป็นงานของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราถ้าหลวงพ่อจะไม่ผิดสมัยก่อน หลวงพ่อเองเป็นเนนสมมาเนนของหลวงปู่ล่าวัดภูเจอะกอ่ตั้งแต่ปี 2,500 พวกลูกหลานจัตไทยญาติโยมคงจะบางคนยังไม่เกิดหลวงพ่อเป็นสัมมาเนนตั้งแต่อายุ11ปีอยู่กับหลวงปู่ล่าหลวงปู่ล่าก็เป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่นรุ่นสุดท้ายท่าน จำพรรษากระหลวงปู่มั่นสี่พรรษาที่บ้านหนองผือนาในาจากนั้นก็ท่านได้หามองค์หลวงปู่อ่านมาทางพรรณานิคมบ้านผู้จากนั้นก็ได้เข้ามาที่มาอยู่วัดป่าสุทธาวาสแห่งนี้จากนั้นหลวงปู่มั่นก็ได้ละสังขารจากนั้นหลวงปู่ล่าก็ได้ไปจปําพรรษาทางจังหวัดภูเก็ตกับหลวงปู่เทศ จากนั้นมาจําพรรษากับองค์หลวงตามหาบัวที่บ้านห้วยทรายอําเภอคําชะอีจังหวัดมุกดาหารจากนั้นท่างก็จาพรรษาที่ไปจําพรรษาที่วัดปา่าวัดผูเจ้า ก, ก้อปี2500จากนั้นหลวงพ่อก็ได้บวชเป็นสัมมเนนกับองค์หลวงปู่ตั้งแต่บัดนั้นจนถึงบัดนี้เพรางั้นเป็นสัมมเนนอยู่8ปีจากนั้นก็ได้อุปสมบทเป็นพระ ในพระพุทธศาสนาปี2000ปี08ปี08มาถึงวันนี้มาถึงปี2552คณะสัตยาญาิโยมลูกหลานนับข้อมือดูซิว่าหลวงพ่ออินนี่ฝากฝังชีวิตไว้ในพระพุทธศาสนานี่ยืนนานยาวนานสักเท่าไหร่เเป็นจตั้งแต่ปี2500เเป็นสมัะเณน8และก็เป็นพระปี08มาถึง 2552ก็เป็นระยะเวลายาวนานพอสมควรวันนั้นจัทไายญาติโยมทุกท่านที่ม า, าร่วมฟังในวันนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังหลวงพ่อจะได้มาแสดงความคิดเห็นให้แก่จัตไทยญาติโยมลูกหลานทุกๆ ท, ท่านที่มาร่วมงานมงคลมหามงคลในวันนี้ถือว่างานวันนี้เป็นงาน พ่อแม่ครูบาอาจารย์แต่ตามไม่จริงหลวงพ่อเป็นสมณีนเมื่อเป็นพระก็ได้รับทราบโดยสม่ำเสมอว่าเมื่อไปชมเพลิงหลวงปู่มั่นแล้วท่านเจ้าคุณธรรมเจดีเป็นพระเถระผู้ใหญ่ที่เป็นประธานที่พระครูบาอาจารย์ให้ความเคารพถือว่าเจ้าคุณธรรมเจดีเป็นพระอุปชาของครูบาอาจารย์ในยุคสมัยนั้น ท่านเป็นพระเถระผู้ใหญ่ท่านก็ประกาศในที่ประชุมสงฆ์ที่วัดป่าสุดทวารแห่งนี้ท่านบอกว่าถ้าหากว่าเมื่อหลวงปู่มั่นมามรณาภาพที่นี่และก็ได้ประชุมเพลิงที่นี่ก็ขอให้จัดสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ประชุมคณะพระสงฆ์ที่เป็นสิทธิอนุสิทธิขององค์หลวงปู่มัน่นถึงครบรอบปีแล้วก็ให้มาประชุมกันในวันประชุมเพลิง ของหลวงปู่มั่นแห่งนี้อันนั้นคือท่านประกาศตั้งแต่วันหลวงปูม่มั่นมราณะภาพ น, นนี้หลวงพ่อทราบมาโดยตลอดจากนั้นครูบาอาจารย์ในยุคนั้นท่านก็ไม่มีการสื่อสารต่างองค์ก็ต่างแยกย้ายกันไปอยู่ในป่าดงพงไพการคมมานาคมก็ไม่สะดวกตลอดถึงโทรศัพท์วิทยุอะไรก็ไม่มีในยุคสมัยนั้นต่างองค์ก็ต่างอยู่เพราะนั้นการประชุม หาหรือกันก็ขาดตกบกพร่องเป็นบางยุคบางการบางสมัยแต่ใหม่ๆก็รู้สึกว่าก็จะมีการจะมีคึกคักขึ้นมาเพราะหลวงปู่ฟัน่นหลวงปู่เทศหลวงปู่อ่อนพระเถระผู้ใหญ่ก็ได้เข้ามาไปชุมกันเป็นประจําพอต่อมาก็ครูบาอาจารย์ในยุคนั้นก็ขาดหายไปทีละองค์สองค์องค์สองอ ง, องค์ จนหมดมาถึงพวกเราที่เป็นสุดท้ายปลายแดนเป็นลูกเป็นหลานเป็นเหลนของครูบาอาจารย์เหล่านั้นหลวงพ่อเองก็ไม่คาดคิดเหมือนกันว่าจะได้มาขึ้นทามาตและแสดงธรรมเพราะว่าพวกเราเป็นลูกหลานสุดท้ายปลายแดนจริงๆที่จะได้มาพูดใ ม, มาแสดงธรรมหรือจะมาแสดงความคิดเห็นณสถานที่แห่งนี้วันนี้ถือว่าเป็นวันบุรพ a j ย์ วันถวายเพลิงศพหลวงปู่มั่นปีที่ห้าสิบเก้าสองันห้าห้าสิบสองเป็นวันที่ยี่สิบเก้าสามสิบสาสบเอดมกราห้าสองณวัดป่าสุทธาวาสจังหวัดสกลนครแห่งนี้พวกศรัทธา ญ, ญาจโจมก็รับทราบข้าเข้าาจกันมาตลอดนะตอนนี้ไปหลวงพ่อจะเป็นผู้เป็นองค์ แสดงธรรมแสดงความคิดเห็นนะบัดนี้นะโมตัสสะปะกวะโตอะราหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะปะกวะโตอะราหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะปะกวะโตอะราหะโตสัมมาสัมพุทธะปูชาจ๊ะ ปูชนียานังเอตัมมังคารมุตตมันติติวันนี้นับว่าเป็นวันมงคลมหามงคลอย่างยิ่งที่วันครบรอบเวียนมาถึงเป็นปีที่ห้าสิบเก้าขององค์หลวงปู่มัน่นภูริทัตโตที่เป็น กรมุกประทานสงสายกรรมฐานที่พวกเรายึดแนวแถวปฏิบัติจากองค์ท่านแล้วพวกเราในฐานะลูกหลานนับว่าเป็นผู้โชคดีโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งพี่น้องชาวสกล น, นครนับว่าเป็นผู้โชคดีอย่างยิ่งที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์องค์หลวงปู่มั่นได้มา องอายุสังขารในเขตสกลนครได้อบรมสิทธิอนุสิทธิหลายองค์ที่เป็นพระมหาเถระผู้ใหญ่ในเขตสกลนครแห่งนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลวงปู่ฟั่นหลวงปูป่กูหลวงปู่กวาหลวงปู่ชิมหลวงปู่ต่างๆถ้าจะว่าไปแล้วมากมายในเขตกลนครของพวกเรา สรุปแล้วก็คือเป็นสำนักเรืยว่าเป็นจังหวัดอุบัติขึ้นของพ่อแม่ครูบาอาจารย์เป็นศิษยาณุศิษย์ขององค์หลวงปู่มัน่นพวกเราถ้าหากว่าไม่มีครูบาอาจารย์อย่างองค์หลวงปู่มัน่นมาประกาศมาเผยแผ่ให้แก่พวกเราพวกเราก็คงจะเป็น อ, อ, อาจจะหูหนวกตาบอดถึงจะหูสว่างหูดีตาดีแต่ว่าธรรมะ ทำคำสั่งสอนที่จะเป็นประโยชน์กับพวกเราคงจะไม่เข้าใจอาจจะมืดบอดในทางธรรมะแต่นี้พวกเราที่หูแจ้งตาสว่างขึ้นมาได้ก็เพราะว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ให้แนวความคิดแนะนำสั่งสอนพวกเราให้รู้จักเรื่องศีลสมาธิปัญญาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสมาธิปัญญานี่ลหละ เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนเป็นเรื่องที่พวกเราจะต้องได้ฟังจะต้องได้ศึกษาในรายละเอียดหลายขั้นตอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งทุกวันนี้ก็คือองค์หลวงตามหาบัวที่ท่านเป็นพระเถระผู้ใหญ่อันสืบเนื่องมาจากองค์หลวงปู่มั่นองค์หลวงตามหาบัวท่านได้ทางปริยัตคือท่านได้เป็นมหา ท่านได้เรียนรู้ทางฝ่ายปริยัตสมบูรณ์จากนั้นท่านได้ลงมือประพฤติปฏิบัติท่านก็รับรองตัวของท่านเองว่าหมดความสงสัยในพระพุทธศาสนาไม่มีอะไรในจิตในใจของท่านแต่ท่านองค์หลวงตาท่านอยู่กับหลวงปู่มั่นตั้งแต่ท่านเรียนมหาป ร, ริยัตจบใหม่ จากนั้นท่านก็อยู่กับองค์หลวงปู่จนวาระสุดท้ายจากนั้นท่านได้เขียนประวัติองค์หลวงปู่มั่นแล้วก็ปฏิปทาพระตุโงงกรรมฐานสายหลวงปู่มั่นและก็ท่านเขียนหนังสืออีกหลายหลายเล่มจากนั้นพระธรรมเทศนาขององค์หลวงตาก็ดังทั่วทุกสารทิศอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังตลอดถึงสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนก็ได้ประกาศเผยแพร่ ธรรมเทศนาขององค์หลวงตาเป็นหลักจากนั้นก็มีธรรมเทศนาของครูบาอาจารย์หลายองค์อย่างหลวงปู่ฟัน่นหลวงปู่ต่างๆหลวงปูล่ล่าหลวงปูส่สิงทองหลวงปู่ชิมถ้าจะว่าไปแล้วหลายองค์ที่เป็นธรรมเทศนาของครูบาอาจารย์ออกในสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนแต่หลวงพ่อเองได้ทราบข่าวมาโดยตลอด ที่อย่างวัดหลวงตาก็เหมือนกันที่หลวงพ่อไปอยู่กับองค์หลวงตาเป็นเวลาสิบสามปีที่อยู่วัดป่าบันตาดเวลากราบพระพุทธเจ้ากราบพระพุทธรูปเนี่ยหลวงตาจะเป็นผู้พานํากราบเวลาประชุมเสร็จแล้วพอประชมเสร็จอย่างนี้หันหน้าไปทางพระประธานท่านจะกราบพระพุทธเจ้ากราบพระธรรมกราบพระสงฆ์กราบหลวงปู่เสากราบหลวงปู่มั่น และ ก, กระกาบเจ้าพคุณสมเด็จวชิรญาณวงศ์และ ก, กระกาบเจ้าคุณปู่ธรรมะเจดีอันนี้กราบทุกครั้งกราบด้วยความสนิทใจอีกต่างหากกระทั่งถึงมาทุกวันนี้องค์หลวงตาอายุเก้าสิบปีหลวงพ่อกระราบมาตลอดว่านองค์หลวงตาเกือบจะว่าวัวนเว้นวันขณะนี้ท่านมากราบพิพิธภัณฑ์หลวงปู่มัน พอท่านเข้ามากราบท่านก็กราบด้วยความสนิทใจถือว่าหลวงปู่มั่นเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ขององค์ท่านท่านกราบด้วยความจงรักภักดีจริงๆถ้าพวกเราท่านทั้งหลายเห็นพวกเราจะซึ้งใจในการกราบขององค์หลวงตาต่อองค์หลวงปู่มั่นถึงจะเป็นลูกหรือเป็นอธิษฐาตของหลวงปู่มั่นแต่องค์หลวงตากราบด้วยความซึ้งใจแต่ทำใหม่พวกเรามาวิเคราะห์อีกว่า หลงตากราบอยู่ที่วัดป่าบ้านตาลไม่ถึงเหรอมากราบถึงสถานที่แห่งนี้เสียก่อนจึงถึงหลงปู่มั่นอย่างนั้นใช่ไหมถ้าเรากราบอยู่ที่นี่ยังไม่ถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ใช่ไหมไปกราบที่อินเดียพุทธคยาเสก่อนจึงถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ใช่ไหมสิ่งเหล่านี้คือคําถามแต่ตามไม่จริงคําถามนั้นในความคิดของหลวงพ่อเนี่ย ถ้าท่านกราบอยู่ที่วัดป่าบ้านตาดก็ถึงหลวงปู่มั่นอยู่ทุกอยู่ในใจขององค์หลวงตาเองอยู่ที่ไหนก็ถึงกราบระลึกถึงเวลาไหนก็ถึงเวลานั้นแต่หลวงตาท่านทําเป็นตัวอย่างคุณระบบสุดท้ายภายหลังว่านี่นะหลวงปู่มั่นเนี่ยเป็นอาจารย์ของเราเราได้ธรรมะขึ้นมาได้ พ่อหลวงปู่มั่นเป็นผู้เป่ากระหม่อมเป็นผู้แนะนําสั่งสอนทุกอย่างเราเคารพนับถือมอบกายถวายชีวิตต่อองค์หลวงปู่เสมอต้นเสมอปลายแต่บัดนี้เราอายุมากแล้วเราจะมากราบหลวงปู่มั่นให้พวกท่านทั้งหลายได้เห็นเพราะว่าพวกท่านทั้งหลายต่อไปภายภาคหน้าถ้าว่าผู้ใดก็าตาม ได้รับธรรมะได้รู้ธรรมะได้รู้แจ้งเห็นจริงธรรมะจากครูบาอาจารย์องค์ไหนผู้ใดให้พวกท่านทั้งหลายให้เคารพนับถือกราบไหว้ครูบาอาจารย์องค์นั้นเหมือนกับเราเราเนี่ได้เคารพได้ฟังธรรมะจากองค์หลวงปู่มัน่นวายนั้นเราจะได้มากราบคารวะให้ถึงที่ อย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นอันนี้คือองค์หลวงตาแสดงออกว่าถือว่าเป็นอาจารย์ของท่านถ้าจะเปรียบเทียบในครั้งพุทธกาลองค์หลวงตาทาอย่างนี้เป็นยังไงหลวงตาทําอย่างนี้ถูกต้องไหมในความเห็นของหลวงพ่อเนี่ถูกต้องเพราะในครั้งพุทธกาลอย่างท่านอาชิชิเนี่เป็นปัญจวคีองสุดท้าย ในห้าองค์โกนทายวะว่าป่าพัทยะมหานามะท่านอัจชชิโกนทายะเป็นเป็นองค์ใหญ่แล้วก็อัจชชินี่เป็นองค์สุดท้ายวันนั้นพระอัจชชิเข้าไปบินทบาทในกรุงราชคฤห์พอเข้าไปบินทบาทพระสาริบุตรเนี่ยหนุ่มสาริบุตรเนี่ยแต่ก่อนท่านก็เป็นลูกเศรษฐีเป็นเพื่อนกับโมกคลา เป็นสิทธีด้วยกันสองตระกูลไปที่ไหนจะไปด้วยกันสนุกสนานเพลิดเพลินเฮฮาด้วยกันถ้าว่าไปดูหนังไปดูละครหรือไปดูการละเล่นต่างๆโมกขาลากรสาลิบุตรนี่จะเป็นเพื่อนกันเขาจะจัดเก้าอี้นั่งเรียงกันนั่งด้วยกันถ้าว่ามีการหัวเราะก็หัวเราะด้วยกันเวลาตกมือก็ตกมือด้วยกันเวลาจะทิพว่าเขาทาถูกต้อง ไปให้พวงมาลัยและให้รางวัลเขาก็ยินดีก็ไปด้วยกันแปลว่าเป็นเพื่อนกันสนิทสนมโมคขรากสารีบุตรแต่ต่อมาต่อมาบา ร, รมีของท่านแก่กล้าทั้งสารีบุตรทั้งโมคขราท่านไปนั่งดูและเล่นของเขาในวันนั้นพอเห็นเขาสนุกสนานเพลิดเพลินเฮฮาอย่างไรคนอื่นเขาเตกมือหเอเราะยังไง โมกคลากระสาลีบุตรนั่งนิ่งวันนั้นพอจบเรื่องราวขึ้นมาแล้วโมกคลาก็ถามว่าเอ๊ะวันนี้ท่านสารีบุตรเป็นยังไงทําไมท่านจึงไม่สนุกสนานกับการละเล่นของเขาดูท่านแล้วเงียบขึมเหลือเกินวันนี้ภาษาลีบุตรท่านก็ตอบว่าเอ๊ะวันนี้ผมแปลกผมไม่รู้จะสนุกสนานไปทําไมทุกคนก็จะตายอยู่แล้ว ทุกคนจะต้องตายเกิดมาแล้วต้องตายไม่มีใครที่จะหลีกลี่ยงหนีพ้นไปได้ไม่รู้ ส, สนุกสนานไปเพื่ออะไรสนุกสนานไปเพื่อเดินไปหาพยามัจจุราชมันก็ใช่เรื่องเพราะฉะนั้นวันนี้ผมเห็นความตายอยู่แค่เอื้อมเองเพราะนั้นผมจึงไม่สนุกวันนี้โมกคลาเขาเอ่ยใช่ผมก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันวันนี้ผมก็ไม่สนุกสนานนั่นแหละสิผมเห็นคุณแล้วก็ เหมือนกับผมเลยวันนี้รู้สึกไม่สนุกเนี่ยนี่แหละบารมีของท่านแก่กล้าขึ้นมาแล้วจากนั้นเออเอาเถอะปะพวกเราไปส่องแสวงหาอาจารย์เออหาทางที่จะไม่ตายเนี่ยคงจะมีจากนั้นท่านก็เลยชวนกันไปบวชอยู่กับสันชัยปริพาชกพอประโยชน์หยุดกับสันชัยแล้วไปศึกษาก็อยู่กับสันชัยปริพาชกท่านมีบริวารตั้งห้ารอยจากนั้นท่านไปเห็นแล้วก็ ไม่เป็นที่พอใจคือทำคำสั่งสอนของสันใจนั้นไม่มีจุดยืนเหมือนกับปลาไหลเลื่อยไปเลื่อยมาเลื้อยมาเลื่อยไปไม่มีจุดยืนจากนั้นท่านเออเราควรจะสะแสวงหาครูบาอาจารย์อีกจากนั้นท่านก็เดินเข้าไปในกลุ่งราชคือท่านไปเห็นท่านอัชชิมีผ้าย้อมฝาดปงผมอยู่ในอยู่นินฟอร์มพระสงฆ์ เดินบิณฑบาตในตลาดในกรุงราชจคือท่านนี้ท่านสารีบุตรท่านไปเห็นเอ๊ะยูนฟอร์มเนี่ยนักบวชสายนี้เรายังไม่เคยเห็นดูๆแล้วอากับกิริยาในการเดินการก้าวเดินหรือการเข้าไปรับบาตรหรือการถอยหลังออกมาหรือการเอี่ยวตัวหรือการแสดงอากับกิริยาเหมือนท่านไม่เผลอเลยท่านเป็นผู้มีสติสมบูรณ์อย่างมากนี่คือ ท่านสริบุตรท่านเห็นพระอัจารยชิ้จากท่านท่านก็เดินสะกัดรอยตามท่านอาจารย์ชี้ไปเรื่อยๆอจนถึงพระอาจารยชิท่านได้อาหารเพียงพอสำหรับอัตภาพของท่านในวันนั้นท่านก็เดินออกไปนอกเมืองท่านก็พอไปถึงนอกเมืองท่านก็ไปอยู่ใต้ร่มไม้ท่านก็มองหาที่ที่จะนั่งพระสาริบุตรท่านเป็นโยมท่านเป็นผู้เฉลียวฉลาดเป็นผู้มีปัญญาอยู่แล้วท่านก็ เข้าไปจัดแจงสถานที่ให้ท่านอาจิชินั่งพอท่านอาจิชินั่งเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ถวายน้ำให้ท่านอาจชิชิฉันอาหารยังไม่ถามปัญหาอะไรท่านอาจิชิก็ฉันอาหารก็ฉันอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วหนุ่มสรีปุ่รก็เข้าไปกราบฐานวัท่านท่านบวชในศาสนาไหนท่านยินดีในศาสนาอะไรศาสนาของท่านนี่สอนว่ายังไงต้นาศาสาของท่านนี่สอนว่ายังไง ผมอยากจะถามท่านจุดยืนของแนวความคิดของท่านนั้นคืออะไรเนี่ผมอยากจะถามท่านพระอาจาชิก็บอกว่าโ อ, อ้อาตมาเพิ่งบวชใหม่ทั้งที่ท่านเป็นพระอารหันต์แล้วนะท่านก็ทอมตนบอกเอออาตมาเป็นผู้บวชใหม่ยังใหม่ในศาสนายัางอธิบายให้กว้างขวางอะไรยังไม่ได้ถ้าท่านจะถามถ้าจะตอบก็ตอบแบบรวบรัดกับชั้นชิดหรือว่า เอาแต่ใจความมันก็พอได้อยู่แต่จะอธิบายให้กว้างขวางนั้นคงจะอธิบายไม่ได้แต่นี้ท่านภาษารรบุตรท่านก็บอกผมสาริบุตรในกรุงราช จ, จะคือเขาก็ว่าผมคนหนึ่งเป็นผู้มีปัญญาขอพระคุณท่านอธิบายแบบครวบรัดกับฉ้นแบบเอาแต่ใจความก็ได้ผมคงจะตีความได้เออท่านนั้นตั้งใจฟังจากนั้นท่ชานอาจารชี้ก็บอกว่าพระพุทธองค์ าศาสดาเนี่ยท่านให้ดูที่เหตุดูที่เหตุดับที่เหตุมันมีเหตุมันจึงมีผลเพราะนั้นท่านให้ดูเหตุเราให้ดับที่เหตุนี่แหละภาษาริบุต ร, รสรุปแล้วอัจฉริในท่านให้สอนสอนเรื่องเกี่ยวกับใจใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าเรื่องทั้งหลายท่านปวงออกมาจากใจทั้งหมดให้ดูที่ใจใจเป็น เ, เรื่องต้นคิด มันจะดีแล้วมันจะชั่วออกมาจากใจทั้งนั้นวันนั้นอยากจะดีอยากจะดูดีและอยากจะดูชั่วให้ดูที่ใจของท่านให้ดูที่เหตุของท่านคือใจภาษารโบทท่านกำหนดและพิจารณาตามที่อัจชชิได้สอนท่านได้สำเร็จพระโสดาบันในขณะนั้นเพียงแต่ว่าให้ดูใจท่านเองนี่แหละท่านก็ถามในโออาจารย์ของเราอยู่ไหนท่าน พระอาจารชีก็บอกว่าเดี๋ยวนี้อยู่ที่วัดป่าเวลุวันอาจารย์ของเราคือพระพุทธเจ้าอยู่ที่วัดป่าเวลุวันบอให้ท่านไปหาไดา้จากนั้นก็ได้แยกย้ายกันภาษาลิบุตรกปีอกตีใจที่เป็นได้ที่ได้สําเร็จเป็นพระโสดาบันแล้วเป็นหนุ่มสาลิบุตรจากนั้นก็เดินมาหาอกคลาอกคลาท่านเห็นเอา้าวันนี้ทําไมเพื่อนสหายของเรายิ้มแยม้แยมแจ่แมใสและเกิดคงจะได้ของดีมาแจกแจงให้ฟังกระมังเนี่ จากนั้นท่านก่อนเออมีจากนั้นท่านก็พูดให้โมกคลาฟังอีกอย่างที่ท่านได้ยินได้ฟังมาเพราะโมคคลาก็ได้สําเร็จพระโสดาบันอีกจากภาษาริบุตระนี่แหละเป็นทอดกันอย่างนั้นคือถ่ายทอดกันภาษาริบุตรได้สําเร็จพระโสดาบันจากนั้นเขาเข้าไปหาสันชัยปริพาชกและก็ขอไปบวชชวนสันชัยไปบวชสํานักในสํานักพระพุทธเจ้าสันชัยไม่ยอมออท่านสันชัยบอกว่า คนโง่กับคนฉลาดอันไหนมากกว่ากันท่านถามภาษาริบุตรภาษาริบุตรบอกว่าคนโง่มากกว่าคนฉลาดสันชัยก็บอกว่านั่นอ่ะคนโง่นั่นแหละจะเป็นหมู่เพื่อนของเราพวกพวกท่านฉลาดไปซะเราจะรักสอนคนโง่ไ อ, อ้คนโง่มันมีมากกว่าจากนั้นโมกคลาภาษาริบุตรก็เลยชักไม่ได้ชักชวนอะ่ะจะไปทีนี่ลูกน้องของสันชัยตั้งห้าร้อยไปเป็นบริวารของโมกคลาสารีลบุตร แต่สนใจก็เสีย อ, อกเสียใจอาเกียนเป็นเลือดก็เลยตายอันนี้คือเนี่ยแหละตามไม่จริงน่าจะปรับตัวได้น่าจะฟังหน้าฟังหลังน ะ, ะทิศทิมานะตัว น, นี้ไม่ใช่ธรรมดาคือไม่ยอมใคร ถ, ถือว่าตัวเองเป็นใหญ่ใหญ่อะไรเกิดมาแล้วก็ตายจะไปใหญ่อะไรสิ่งไหนที่มันถูกต้องก็ควรจะทำอย่างนั้นควรจะศึกษาสิ่งนั้นมันจึงจะถูก จากนั้นพระโมกขาราสาลีบุตรท่านก็ได้ได้ไปฟังเทศพระพุทธเจ้าก็ได้บวชในศาสนาเ อ, อีอันนี้ก็คือพูดอย่างรวบรัดให้ศรัทธาญ า, าติโยมได้ฟังจากนั้นมาท่านก็ได้สําเร็จเป็นพระอระหันต์ทั้งโมกขาราสาลีบุตรในเมื่อท่านสําเร็จเป็นพระอระหันต์แล้วท่านไปนอนนัชฐานที่ใดท่านทราบข่าวว่าท่านอรจชิชิอยู่ทางทิศตะวันออกท่านก็หันหัวไปทางทิศตะวันออกกราบท่านอรจิชิเช้าก่อนอยัค่อยนอน วันนี้ท่านทราบข่าวว่าท่านอาเจชิอยู่ทางทิศตะวันตกท่านกระหันศีรษะไปทางทิศตะวันตกแล้วท่านก็นอนคือท่านทราบข่าวว่าทางทิศไหนท่านพระอาจจชิอยู่ทางทิศไหนพระสารีบุตรกะหันศีรษะไปทางทิศนั้นแล้วก็นอนแ้ะกล่าวพระสงฆ์ที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาของพระสารีบุตรเขาก็สังเกตเห็นเออทาไมอาจารย์บางทีหดหันศีรษะไปทางบันได บางทีก็หันไปทางไม่รู้ว่าหันทางไปทางทิศไหนต่ทางทิศไหนอาจารย์ของเราเนี่คงจะเป็นมิตรสาธิติคือความเห็นเห็นผิดเสียแล้วเนี่ยออในจิตในใจจากนั้นก็ไม่กล้าที่จะพูดกับอาจารย์ไปกราบพระพุทธเจ้าทีนี้เพราว่าท่านสารีบูตรเนี่ยดูแปลกๆ แ, แล้วออบางคืนก็นอนหันศีรษะไปทางหนึ่งบางคืนก็นอนหันศีรษะไปทางหนึ่งเออไม่นอนไปหันศีรษะไปทางเดียวเพราะฉะนั้น สงสัยภาษาลิบุตรคงจะเป็นมิจฉาทิฐิบางอย่างพระเจ้าคานพราะพุทธองค์ก็เลยเรียกภาษาลิบุตรเข้ามาบอกว่าสาราิบุตรยิงไหมที่เธอก่อนจะนอนหันศีรษะไปหลายแห่งหลายหนทิศเหนือทิศใต้ทาไมท่านถึงทําอย่างนั้นภาษาริบุตรก็กราบทูลพระพุทธเจ้าว่าที่ข้าพระองค์หันศีรษะไปทางในทิศต่างๆนั้นเพราะข้าพระองค์ทราบว่า ท่านอาจารย์ชีที่เป็นอาจารย์ของข้าพระองค์ที่เปิดคุณแกดอกแรกให้ข้าพระองค์ได้รู้แจ้งเห็นจริงในธรรมข้าพระองค์จึงได้หันศีรษะไปกล่าบท่านอาจารย์ชี้ในทิศนั้นๆพระเจ้าค่ะนี่ละ่ะพระพุทธองค์ก็บอกให้พระสงสค์ทราบนี่แหละบัณฑิตไม่ลืมครูบาอาจารย์ผู้ให้ธรรมะแก่ตัวของท่านเองนี่แหละ หลวงพ่อว่าหลวงตามหาบัวที่ท่านมากาปองหลวงปู่มั่นอายุของท่าน90สบกว่าปีท่านแสดงให้พวกเราลูกหลานได้เห็นว่าเมื่อพวกเราได้รู้ได้เห็นธรรมะจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์องค์ใดเราควรจะยึดกลา่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์องค์นั้นด้วยความซึงใจด้วยความประทับใจด้วยความเต็มใจด้วยศรัทธายิ่ง เต็มเปี่ยมทางคิตใจนี่แหละเป็นตัวอย่างที่ดีของลูกของหลานของอนุชนรุ่นหลังหลวงพ่อว่านะอันนี้นับว่าพวกเราเป็นผู้มีบุญวาสนาบา ร, รมีที่ได้มาเกิดในแถบจังหวัดสกล น, นคร อ, อ, อุดรธานีในแถบจังหวัดนี้ที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์องค์หลวงปู่มั่นหรือว่าลูกหลานของหลวงปู่มั่นได้ไปโปรดอย่างหลวงพ่อเนี่ยหลวงพอว่อ นึกขึ้นเวลาใดหลวงพ่อเองนึกว่าเป็นผู้โชคดีเคนหนึ่งเหมือนกันเพราะว่าหลวงปู่สาวหลวงปู่มั่นท่านไปที่มุกดาหารก็อยู่ที่แถบหนองสูงคำชะอีวัดหนองน่องอย่างเนี้ยหลวงปู่มั่นเคยไปอยู่แล้วโยมปู่โยมย่าของหลวงพ่อเนี่ยก็เป็นผู้อุปถัมภ์ระถาตองค์หลวงปู่มั่นอีกเหมือนกันจากนั้นหลวงตามหาบัวก็ได้เป็นจพรรษาที่ห้วยทราย อย่างนั้นหลวงปู่ล่าก็ได้ไปจําพรรษาที่ปู่เจ้าก่อทางว่าหลวงปู่ล่าไม่ไปจําพรรษาที่ปู่เจ้าก่อหลวงพ่อเองก็คงจะเป็นหมูเป็นกวางเป็นสัตว์ป่าคงจะไม่รู้จกักศีลธรรมอย่างทวกวันนี้เพราะฉะนั้นหลวงพ่อเองนะว่าเป็นผู้โชคดีเ อ, อที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นได้ไปโปรดถึงที่จากนั้นหลวงพ่อเองก็ได้บวชในพระพุทธศาสนาได้ฝากฝังชีวิตทั้งชีวิตไว้ในพระพุทธศาสนา ด้วยความเต็มใจด้วยความภาคภูมิใจไม่เสียใจเลยที่ได้บวชมาที่ได้ประพฤติปฏิบัติมาถึงจุดนี้ในวันนี้นะเพราะฉะนั้นศรัทธา ญ, ญาติโยมลูกหลานทุกคนเอได้ฟังโดยสิว่าหลวงพ่อได้กล่าวให้ฟังศรัทธา ญ, ญาติโยมทั้งหลายก็คงผิดผู้โชคดีเหมือนกับหลวงพ่อเหมือนกันเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกทุกคนที่ได้บวชล่วงได้มาอยู่ในสถานที่แห่งนี้หรือว่า พวกที่เป็นพระสงฆ์ที่ได้บวชในพระพุทธศาสนาก็ขอให้ทั้งอกทั้งใจพอพุทธปฏิบัติถ้าหว่าเป็นผู้อยู่ป่าก็ทั้งอกตั้งใจอยู่ป่าภาวนาแต่ส่วนผู้ที่อยู่ในบ้านในเมืองเป็นฝ่ายปกครองก็ขอให้ปกครองปวงประชาหรือว่าพระสงฆ์ด้วยดีเพราะว่าปริยัตปฏิบัติปฏิเวทมันไปด้วยกันถ้าหาว่ามีแต่ปริยัติอย่างเดียวไม่มีปฏิบัติ เหมือนกับมีคนมีมีคนมีแต่แผนที่ไม่ได้เดินตามแผนที่ก็ไม่เกิดประโยชน์ถ้าว่าคนไม่มีแผนที่เดินสเปะสปะก็ไม่ถึงจุดหมายปลายทางเช่นเดียวกันเพราะนั้นปริยัติก็คือเราเรียนศึกษาในปัตไตรพิตรเนี่ยปริยัตปฏิบัติก็คือลงมือประพฤติปฏิบัติเดินยงกลมนั่งสมาธิภาวนาอย่างพวกสัทธายาติโยมที่มาประพฤติปฏิบัติในวันนี้แหละอันนี้เราปฏิบัติ ปฏิเวทคือขนผลแห่งการประพฤติปฏิบัติได้รับผลในการประพฤติปฏิบัติเวลานั่งสมาธิจิตใจของพวกเราได้รับความสงบพร่มเย็นเป็นสุขอันนี้หรอปฏิเวทค้วยนั้นทางฝ่ายพระสงฆ์ก็ดีฝ่ายคณะสัทธทาญาติโยมก็ดีหลวงพ่อว่าพวกเราท่านทั้งหลายเป็นผู้โชคดีอย่างมากที่เดินมาเกิดในยุคนี้สมัยนี้แล้วก็ได้พบประธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ได้พบทำคําสั่งสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์เมื่อท่านล่วงลับดับขันไปพวกเราก็ได้เห็นว่ากระดูกของท่านนั้นเป็นยังไงกระดูกของท่านได้กลายเป็นพระธาตุให้พวกเราได้กราบได้ไหว้คําว่ากระดูกกลายเป็นพระธาตุนั้นไม่ใช่ธรรมดาในหลักพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วท่านบอกว่าท่านองค์นั้นได้เป็นพระหรหันแล้วไม่เป็นอย่างอื่นเพรนั้นพวกเราได้กราบ ได้ไหว้ได้ปฏิบัติพระมหาเถระผู้ใหญ่มากมายหลายองค์ที่กระดูกของท่านได้กลายเป็นประธานล้วนแล้วแต่เป็นพระอรหันต์ทั้งนั้นเพราะนั้นถือว่าพวกเราเป็นผู้โชคดีเพราะนั้นการที่โชคดีเหล่านี้ทางว่าพวกเราไม่ตั้งตนไว้ไม่ชอบทีนี้ทำตนไว้ไม่ดีก็จะทำให้ตกต่ำได้อีกเหมือนกันนะเพราะนั้นควรจะรักษาศีลควรจะภาวนาควรจะปปคตปฏิบัต เข้มงวดกวดขันในการเป็นอยู่ของพวกเราสําหรับศรัทธา ญ, ญาติโยมทีเนี่ยในศรัทธา ญ, ญาติโยมทั้งหลายเพราะพรธเจ้าท่านสอนให้ให้ทานทานะคือการให้ทานทานเราเป็นผู้เสียสละการทานมีมากหลายอย่างอย่างหลวงพ่อที่แสดงธรรมอยู่เดี๋ยวนี้ก็ว่าให้ทำให้ทำมาทานคือการให้แนวความคิด ให้ศรัทธา ญ, ญาติโยมเห็นในทางที่ถูกต้องเรียกว่าธรรมทานแล้วก็ให้อามิสทานคือให้ปัจจัยสี่ข้าวน้ําโภชนะอาหารที่อยู่อาศัยยาแก้โรคไปไข้เจ็บผ้านุ่งห่มอันนี้เรียกว่าอภิสทานแล้วก็ให้วิทยาทานก็คือให้ทานความรู้วิชาอาชีพของเขาที่เขาจะทำมาค้าขายแนะนําเขาที่ว่าเป็นสัมมาชีพจะทํำยังไง ให้ทานแก่เขาหวิทยาทานและก็ให้อภัยทานถ้าเขามาร่วงเกินเราเไม่เหลือบากว่าแรงเราก็ให้อภัยเขาเให้หรืว่าให้อภัยทานแล้วก็ให้ชีวิตเขาเป็นทานเราก็ไม่ฆ่าจัดตัดชีวิตหรืว่าให้ชีวิตเขาเป็นทานคําว่าทานคํานี้มีมากมายเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่าท่านบอกกล่าวไว้ว่าผู้ใดยินดีในการทําบุญทําทานเกิดมาพบใดชาติใดจะเป็นผู้ไม่อดไม่หยาด เป็นผู้สมบูรณ์เพราะว่าอานิสง์ทานจะคุ้มครองพวกเราท่านทั้งหลายในการเดินทางจนจะถึงจุดหมายปลายทางคือพ้นทุก์ในวัฏสงสารต้องอาศัยในอานิสง์การทําทานอานิสงสินคือรักษากายวายจาให้เรียบร้อยชื่อวัดศีลอย่างพวกสัตธายาติจมก็คือศีลห้าเป็นพื้นฐานศีลห้าเราอย่ามองข้ามศีลคือกฎระเบียบ สินคือกฎหมายศินคือกฎการที่จะอยู่ร่วมกันด้วยความสงบร่มเย็นเป็นสุขเนี่ยต้องเป็นผู้มีสินสินห้าของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นศินมาตั้งแต่ดึกดาบันก่อนที่พระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลกเสียด้อยซ้ำไปถ้าเราศึกษาในพระไตรปิฎกในชาดกต่างๆเราจะรู้ได้ว่าศินของศินห้า ที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้นี้เป็นสินคุ้มครองโลกเป็นศินประจําโลกถ้าว่าโลกทั้งโลกยุคใดสมัยใดต้องการความสงบร่มเย็นเป็นสุขหาสุขในชุมชนและสังคมของตนเองแล้วต้องเป็นผู้มีศินถ้าว่าขาดศินและทำขาดสินห้าแล้วโลกในยุคนั้นสมัยนั้นจะเดือดร้อนวุ่นวายแน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นเพราะนั้นหลวงพ่อเองจะอธิบายเรื่องศินให้แก่จัตตาญาติโยมให้เข้าใจ พอสังเกตอย่างศินห้าข้อที่หนึ่งห้ามไม่ให้ฆ่าสัตว์การฆ่ากันไม่เป็นผลดีเราคิดดูก็แล้วกันถ้าเราไปฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าลูกฆ่าเมียฆ่าลูกฆ่าหลานของเขาเขาจะมีความรู้สึกอย่างไรถ้าเขามาฆ่าเราฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าลูกฆ่าหลานของเราเรามีความรู้สึกอย่างไรเอาใจเขามาใส่ใจเราเอาใจเราไปใส่ใจเขาเพราะนั้นถ้าเราไปฆ่าเขาเขาก็คงจะเสียใจอย่างมากไม่แพ้เรา เราก็เหมือนกันถ้าเขามาฆ่าเราฆ่าตระกูลของเราฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าลูกฆ่าหลานของเราเราก็เสียใจเพราะฉนั้นพระพุทธเจ้าท่านมองเห็นแล้วว่าการฆ่ากันไม่เป็นผลดีทําให้ทุกใจทั้งเขาทั้งเราเพราะนั้นเอาใจเขามาใส่ใจเราเอาใจเราไปใส่ใจเขาอย่าฆ่ากันนี่แหละศินข้อที่หนึ่งสินข้อที่สองอธินาทานอย่าขโมยของคนอื่นเขาขโมยของเขาเขาก็รักจงหวนหวงเหนเพราะเป็นสมบัติของเขา ขโมยพ่อขโมยแม่ของเขาขโมยลูกขโมยหลานของเขาไปเรียกค่าถ่ายอย่างนี้ยเน อ, อเป็นไงถ้าเขามาทําให้เก็บกับเราเราเสียใจไหมเราก็เสียใจเช่นเดียวกันกับเขาเพราะนั้นอย่าขโมยกันนะให้เคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันนี่แหละสินข้อที่สองข้อที่สามกาเมสุมิจฉาราวีรัมณีสามีภรรยาลูกหลานของเขาเขารักจงหวนหวงแหนถ้าเราเป็นล่วงล้ําเขาเขาก็เสียใจถ้าเขามาล่วงล้ําเราละ่ะ เราก็เสียใจเช่นเดียวกันเพราะเหตุนั้นให้เคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันดีไหมเพราะต่างคนก็ต่างมีมีพ่อมีแม่มีลูกมีหลานก็ให้เคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันโรค ก, ก็จะสงบร่มเย็นเป็นสุขถ้าว่าโลกทั้งโลกเคารพสิทธิ์กันอันนี้คือศินข้อที่สข้อที่สี่มุสาวาทาเวรมณีอย่ากโกหกกันอย่าไปต้มตุนหลอกลวงกันการต้มตุนหลอกลวงมีมากมายโกหกคํานี้มีมาก มีหลายระดับถ้าเป็นเศรษฐีขึ้นม า, าเขียนเช็คเด้งอย่างเนี้ยโกหกไหมโกหกเนี่ยทำให้คนอื่นเก็บหายใช่ไหมเออคงจะใช่เพราะเหตุไรเพราะว่าโกหกคนอื่นเพราะโกหกคำนี้มีมากมายเพราะนั้นศรัทธาญาติโยมลูกหลานทางหลายให้คิดดูก็ให้ดีกันแล้วกันเรื่องโกหกเนี่ยไม่เป็นผลดีในหลักของพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านตรัสไปสองพันกว่าปีแลวท่านบอกว่า คนที่ชอบโกหกทั้งที่รู้ๆจะไม่ทําความชั่วอย่างอื่นเป็นไม่มีคํานี้เป็นยังไงหลวงพ่อวัฒน์สมัยนะคนแค่พวกเราสังเกตดูคนที่ชอบโกหกแล้วจะไม่ทําความชั่วอย่างอื่นนั้นเป็นไม่มีเพราะฉะนั้นคําว่าโกหกคำนี้ไม่เป็นผลดีสําหรับชุมชนและสังคมของพวกเราที่จะไปมาหาสู่พึ่งพาอาศัยกันและศินข้อที่5สุราเมรยะมัชฌะปะมา การดื่มสุราและเมลัยเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทถ้าว่าคนพวกเราดื่มสุราเข้าไปแล้วขาดสติเมื่อขาดสติแล้วสามารถที่จะทำความชั่วในทุกอย่างเพราะคนขาดสติไม่รู้จักดีไม่รู้จักชั่วไม่รู้จักสูไม่รู้จกักต่ำไม่รู้จักสิ่งควรไม่ควรเพราะคนขาดสติสินข้อที่หนึ่งก็ละเมิดได้ฆ่าใครก็ได้สินข้อที่สองขโมยใครก็ได้สินข้อที่สประพฤต ละลาบละลวงสามีภรรยาลูกหลานของใครก็ได้ข้อที่สี่โกหกต้มตุ๋นหลอกลวงใครก็ได้เพราะขานขาดสติเพราะนั้นสินข้อที่ห้าเป็นศินอันต ร, รายข้อหนึ่งเนพราะนั้นพวกศรัทธาญาติโยมทั้งหลายแล้วพวกเราท่านทั้งหลายจะให้ใครเป็นผู้รักษาสินห้านั้นให้พระใช่ไหมให้คนแก่ใช่ไหมให้คนปวดระวางแล้วใช่ไหม ศีลห้าเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนถ้าว่าพวกเราต้องการความสุขอยู่ในชุมชนและสังคมของพวกเราพวกเราควรจะมีศีลห้าประจําตัวของพวกเราถ้าว่าทุกคนไม่มีศีลห้าพวกเรารู้แล้วว่าหลวงพ่ออธิบายให้ฟังเนี่ยข้าไปเจ้าเห็นด้วยกับที่หลวงพ่ออธิบายอย่างหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อทราบว่าศีลห้าเนี่ยที่หลวงพ่อพูดมานี้หลวงพ่อว่ามีเหตุผลเพราะนั้นหลวงพ่อเอง จะรักษาสินห้าไม่ว่าแต่สินห้าสินสองรอยี่สิบเจ็ดหลวงพ่อรักษาให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ก่อนที่จะถึงสองอยี่ิบเจ็ดมันก็ต้องหนึ่ง6 7สามสี่ห้าหกเจ็ดจนถึงสองรอยี่สิบเจ็ดใช่ไหมอันนี้กัศรัทธาญาติโยมก็เหมือนกันถ้าว่าผู้ใดข้อตามไม่รักษาสินข้าพเจ้ารู้แล้วว่าสินห้ามีคุณค่าข้าพเจ้าคนหนึ่งจะเป็นผู้รักษาสินห้า คือใครจะมารักษาก็ตามข้าไปเจ้านับหนึ่งจะข้าไปเจ้าข้าไปเจ้าจะเป็นผู้รักษาสินให้เป็นผู้มีสินถ้าว่าพวกเราทุกๆท่านต่างคนก็ต่างเป็นผู้มีศินนับหนึ่งจะข้าไปเจ้านีอคนนั้นก็นับหนึ่งจะข้าไปเจ้าหนึ่งบกหนึ่งเป็นสองสองบกสองเป็นสี่ก็จะหลายเองแต่ถ้าว่าพวกเราคิดว่าคนนั้นน่าจะมีศินห้าคนนี้น่าจะมีคนแก่น่าจะมีศินห้าคนเข้าวัดน่าจะมีสินห้าแต่ตัวเองล่ะเป็นยังไงนี่ ไปนั้นพวกเราทุกๆท่านนะที่บอกทางนี้ทั้งนั้นที่หลวงปอได้บอกกล่าวสอนทางนี้ทั้งนั้นคือให้โอปันญิกโกธรรมะของพระพุทธเจ้าโอปันญิโกให้น้อมเข้ามาหาตนเองให้เป็นผู้มีศีลธรรมอันนี้แหะคืออันนี้คือสินเบื้องต้นอธิบายเรื่องทานคนที่มีทานไปในสถานที่ใดก็เป็นผู้เป็นที่ยอมรับของชุมชนและสังคม เ, เป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจ ไปที่ไหนใครก็อยากจะให้เข้ามาใกล้เพราะเป็นผู้มีน้ำจิตน้ำใจเป็นผู้เสียสละเป็นผู้มีศีลไปท่าสถานที่ใดก็เป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจเพราะเหตุว่าจะไม่ทำให้เขาเดือดร้อนเพราะเป็นผู้มีศีลแต่ทีนี้ทานศีลแล้วยังมีภาวนาอีกทีนึงคือภาวนาดนทาจิตใจให้สงบให้เป็นหนึ่งนี่ที่พระพุทธเจ้าของเรา ท่านอยู่ในเวียงวังเป็นพระเจ้าแผ่นดินตอนที่ท่านจะออกไปบวชท่านอายุยี่สิบเกปีมีพร้อมหมดทุกอย่างมีอคคมเหสีมีราชบุตรมีพ่อมีแม่มีพระบรมวงศานุวงศ์มีครบท้วนบริบูรณ์ยิ่งกว่าพวกเราแต่ทําไมพระพุทธเจ้าซึ่งท่านจริงหนีไปบวชท่านเราศึกษาให้ดีแล้วพระพุทธเจ้าเห็นอะไรท่านรู้อะไร ท่านเห็นความแก่เห็นความเจ็บเห็นความตายท่านเห็นความแก่ความเจ็บความตายถ้าว่าท่านอยู่ต่อไปภายภาคหน้าความแก่และความเจ็บความตายจะต้องเข้ามาหาท่านแน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นเพราะท่านเห็นปู่ย่าตาทวดของท่านที่ล้มหายตายจากไปท่านก็ต้องมาถึงท่านแน่นอนนี่แหละที่พระพุทธเจ้าที่ท่านหนีออกไปบวชท่านไม่ไว้ใจในชีวิตของพระองค์ท่าน จากนั้นท่านจึงไต้หนีกลางคืนออกไปบวชไปกับนายฉันนะขี่ม้าขันตะกะเดินออกไปกลางคืนไม่บอกกล่าวให้แก่ใครขโมยออกไปอยู่ในป่าไปอยู่ในป่าถึงหกปีไปศึกษาค้นคว้าอยู่ในป่าดงคงไพยจากนั้นพระองค์ก็ได้ประสบความสำเร็จหรือว่าได้สูตรสาเร็จได้ปฏิบัติลองผิดลองถูกองถูกลองผิดเป็นเวลาถึงหกปีไปอยู่ในป่า จากนั้นพระองค์ก็ได้ตัดสู้ธรรมในวันเดือนหกเพนวันเดือนหกเพนวันที่พระองค์ได้ตัดสู้ธรรมในวันนั้นเป็นวันที่พวกเราน่าจะศึกษาน่าจะวิเคราะห์ว่าพระพุทธเจ้าได้ตัดสู้อะไรในวันนั้นแต่วันที่ท่านบำเพ็ญนั้นเราไม่ต้องเราไม่ต้องให้ศึกไม่ต้องศึกษาอะไรเพียนแต่ฟังเอาไว้ว่าพระพุทธเจ้าได้ไปทำยังไง ไปทดสอบทดลองอะไรอันนั้นคือทําธรรมดาการลองทดลองวิทยาศาสตร์ถ้าเขาต้องการอย่างไงเขาก็ต้องทดสอบทดลองแต่นั้นเราจะไปถือเออเป็นเรื่องที่สําคัญที่สําคัญที่สุดก็คือว่าพระพุทธเจ้าในคืนตัดสรู้นั้นท่านได้ตัดสูอะไรท่านทำอย่างไงที่ท่านจะได้ตัดสรู้นั้นอันนี้พวกเราให้ฟังเอาไว้จุดนี้นะในวันที่พระพุทธเจ้าจะตัดสรู้นั้น เป็นวันเดือนหกเพนนายโสธิยะได้นํำญ้าคาผ่านมาแล้วก็มอบให้สิท ธ, ธัตถะสมัยนั้นท่านยังไม่ได้ตัดสรูท่านยังเป็นพระโพธิสัตว์อยู่ยังเป็นสิทธัตถะอยู่แต่เป็นนักบวชท่านมอบญ้าคาให้8ปดกำมือพอสิทธัตถะได้ญ่าคาแปดกำมือก็มาเกลี่ยลงที่โคลนต้นโปจากนั้นสิทธัตถะก็ได้ขึ้นไปนั่ง บนญ้าขาแปดกำมือนั้นหันหน้าไปทางทิศ ต, ตะวันออกในช่วงระยะนั้นในในพุทธประวัติท่านบอกว่าพระอาทิตย์ยังไม่อัดสดงคือพระอาทิตย์ยังไม่ตกดินนะใครก็ว่าพระอาทิตย์กําลังจะตกดินที่พระพุทธเจ้าขึ้นไปนั่งสมาธิจากนั้นท่านก็หันหน้าไปทางผิ่นพระพักไปทางทิศ ต, ตะวันออกขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทํากายให้ตรง ดำรงสติเฉพาะหน้าฮะให้ข้ายว่าไม่ให้คิดไปทางหลังไม่ให้คิดไปดีอดีตไม่ให้คิดไปในอนาคตให้สติอยู่กับพระ อ, องค์เองจากนั้นพระ อ, องค์ก็กําหนดลมหายใจเข้าเนะีให้ฟังเอานะนี่แหละคือกรรมาฐานของพระพุทธเจา้าให้กําหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกมีสติในลมหายใจเข้าหายใจออกไม่ให้ส่ง เข้าไปข้างในแล้วก็ไม่ให้ส่งออกไปข้างนอกถ้าเราจะเปรียบเทียบให้ให้เห็นชัดเจนก็เหมือนเราอยู่ยืนอยู่ข้างประตูเรายืนอยู่ข้างประตูคนเข้าไปในอาคารเราก็รู้ว่าเข้าไปคนออกมานอกอาคารเราก็รู้ว่าออกมานอกอาคารเรายืนอยู่ข้างประตูให้คนเข้าคนออกทนเองมีสติว่าคนเข้าและคนออกไม่ต้องตามคนออกมาและไม่ต้องตามคนเข้าไป นี้ก็เหมือนกันเราให้เอาสติจับอยู่ที่ปลายจมูกลมเข้าไปในท้องเราก็ไม่ต้องตามลมเข้าไปในถึงท้องลมออกมาเราก็ไม่ต้องตามลมออกมาให้มีสติอยู่ที่ปลายจมูกลมผ่านเข้าไปรู้ไม่รู้ว่าลมผ่านเข้าไปเวลาลมออกมาเราก็รู้ว่าลมผ่านออกมานี่แหละคือกรรมฐานของพระพุทธเจ้าจากนั้นองหลวงปู่มั่นของเราที่นี่ ท่านว่ากำหนดเพียงแค่นั้นมันน้อยเกินไปน้อยนิดเกินไปมันสั้นเกินไปท่านจึงให้เอาสำทับเข้าอีกวะหายใจเข้าพุทธหายใจออกโธอันนี้ก็คือกรรมฐานองค์หลวงปู่มัน่นแนะนำสั่งสอนพ ว, พวกเราท่านทั้งหลายท่านแนะนำสานิสิตของท่านเพราะนั้นครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มัน่นท่านจะแนะนำว่าหายใจเข้าบริกรรมว่าพุทธหายใจออกบริกรรมว่าโธ หายใจเข้าพุทหายใจออกโตให้มีสติในลมหายใจเข้าและหายใจออกนี่แหละคือกรรมฐานที่พระพุทธเจ้าได้ตัดรู้ในวันเดือนหกเพ็นนั้นพอพระองค์สติของพระองค์แน่วแน่แไม่เคล็ดไปทางไหนมีสติสมบูรณ์สติอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกจิตของพระองค์เข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งพอจิตเข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งเกิดญาณ ปุบเพนวาสานุสติยานระลึกชาติผลหลังได้พอจิตสงบเข้าไปแล้วเกิดฌานฌานเป็นผลพลอยได้จากสมาธิถ้าจิตไม่สงบจะไม่เป็นฌานฌานที่จะเกิดขึ้นมาได้เพราะสมาธิเพราะนั้นจิตพระองค์เข้าสู่ความสงบเกิดเป็นญาณทัตเจน ะ, จะนเกิดเป็นฌานเกิดเป็นฌานพระองค์ก็น้อมจิตระลึกถึงชาติผลหลังยกวกัปุบเพนวาสานุสติยานระลึกชาติผลหลังได้ เพราะนั้นพวกศรัทธาญาติโยมทั้งหลายให้พวกเราทั้งหลายที่นับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นับถือพ่อแม่ครูบาอาจารย์ให้พวกเรายึดไว้เลยว่าตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกแน่นอนถ้าว่าตายแล้วสูญพระพุทธเจ้าจะระลึกชาติผลหลังได้ยังไงเพราะตายแล้วชาติเดียวก็สูญแต่นี้ไม่สูญพระพุทธเจ้าระลึกชาติผลหลังได้ชาติที่แล้วเป็นยังไงชาติก่อนเป็นยังไงชาติก่อนๆนั้นเป็นยังไงอย่างพวกเราท่านทั้งหลายมานั่งอยู่ณที่นี่ วันนี้เป็นยังไงเมื่อวานได้มีไหมวันก่อนมีไหมอาทิตย์ก่อนมีไหมเดือนก่อนมีไหมปีก่อนมีไหมนั้นก็เหมือนกันท่านมีย า, าณทัศนะท่านมีเครื่องมือท่านละเอียดมากยานาทัศนะตัวนี้ท่านะระลึกถึงเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนชาติได้และนี่เรอบอกปุเพนิวาสานุสติญาณตอนหัวค่าจากนั้นท่านก็นั่งภาวนาอย่างไม่ลดละทําจิตให้แน่วแน่จนถึงเที่ยงคืน เพเที่ยงคืนท่านในยาณทัศนาเกิดขึ้นมาว่าจุตูปะ ป, ะปะตาตยานรู้จากการตุติการเกิดการตายของสรรพสัตว์ที่วิญญาณมาจากไหนมาเกิดที่นี่ออกจากที่นี่และจะไปที่ไหนพระพุทธองค์ก็รู้ได้อีกนรอดจุตูปะ ป, ะปะตาตยานสรุปแล้วคือคนเราตายแล้วไม่สูญเนอแล้วก็รู้ได้อีกว่ามาจากที่นี่มาเกิดเป็นผลบุญเป็นผลกลับอะไร ทำได้ได้ทำกรรมอันไหนไว้กรรมดีและกรรมชั่วที่พามาเกิดใ น, ในยุคนี้ชาตินี้พระพุทธองค์ก็รู้อีกเนี่ว่าจุตูปะปาตยานพอจวนสวะพระพุทธเจ้าก็ได้ตัดสรุธรรมอาสาวกายญานยานอย่างรู้ว่าพระพุทธองค์หมดกิเลสแล้วราคะโทสะโมหะของพระองค์สิ้นออกจากใจของพระองค์แล้วพระองค์ยกระดับ พระไทยของพระ อ, องค์เหนือจากกิเลสราคะโทสะโมหะแล้วกิเลสราคะโทสะโมหะไม่สามารถที่จะเข้ามาปรุงแต่งพระไทยของพระ อ, องค์ได้แล้วพระ อ, องค์เป็นเหนือกว่ากิเลสทั้งหลายทั้งปวงอันนี้เร า, าวยายา่าอาสาวกยญาณญานอย่างรู้ว่าพระพุทธองค์หมดจดจากกิเลสเพราะฉนั้นพระธองค์จึงได้น้อมจิตว่าจิตตวิญญาณตรงนี้มาจากไหนนะ จิตที่วิญญาณที่ทเป็นนักท่องเที่ยวมาหลายหมื่นหลายแสนชาติมาจากไหนยังมาเกิดมาอย่างไรพระพุทธองค์ก็นึกย้อนหลังไปน้อนย้อนย้อนดูไปวิญญาณเกิดมาจากไหนพระพุทธองค์ไปถึงตัวอวิชช า, าในปฏิจจสมุปบาทเอวิชชาปัจจะสร้างฆ่าราสร้างฆ่าราปัจจะวิญญาณังวิญญาณปัจจานามะรูปัง สรุปแล้วก็คือวิญญาณเกิดมาจากความโง่มาจากตัววิชชาถึงจุดนั้นจบแต่นี้บัดนี้พระพุทธองค์ได้ชำระพระไทยของพระองค์แล้วเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วจะมาจะไม่มาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารเป็นอนันตการชาติชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายแล้วนิพพานังปรมังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งนิพพานังปรังสุญอย่างนิพพานสุญ ศูนย์อะไรศูนย์เชื้อเชื้อที่จะทําให้เกิดคือกิเลสราคะโทสะโมหานั้นศูนย์ออกจากใจของพระองค์ศูนย์ออกจากพระไทยของพระองค์ใจหรือพระไทยของพระองค์เป็นผู้บริสุทธิ์แล้วเพราะนั้นไม่มีสิ่งไหนที่จะเข้าไปรบ ก, กวนพระไทยของพระองค์ท่านจิหวันนิพพานังประมังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งเพราะนั้นในวันเดือน6เป็นพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ทำสามอย่างทีแรกที่ได้ตรัสรู้อุปเพรเนวาสานุสติญา พอถึงเที่ยงคืนจุตูปปาตะยานพอถึงจวนสว่างเรียกว่าอาสาวกกยายานนี่แหละทำที่พระพุทธเจ้าได้ตัดสรู้จากนั้นพระพุทธองค์ได้ตัดสรู้ธรรมแล้วก็ได้เสวยวิมุตติสุขในโครนต้นโพ๗วันจากนั้นก็ได้เสวยวิมุติในบริเวณนั้นต้นเกตบ้างที่สับบุตรลินบ้างจนถึงวันเดือนเจ็ดแผ่นจากนั้นก็ได้ เดินออกจากบริเวณนั้นไปปรดปัญจวัคคีย์ทั้งห้านี่แหละคำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่พวกเราได้ฟังได้ศึกษาแล้วนี้นะ่ะนี่แหละพระพุธทธเจ้าปฏิบัติและท่านได้ตัดสรุปทำอะไรเบื้องต้นที่ทา่ทานท่ทานทำนั้นท่านทำยังไงเพราะฉะนั้นพวกเราที่ได้มาศึกษาและมาประพฤติปฏิบัติให้พวกเราศึกษาในพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุธทธเจ้า่ะ ตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกแน่นอนนรกสวรรค์มีจริงบาปปูนคุณโทษมีจริงเพราะฉะนั้นพวกเราลูกหลานทุกคนถ้าว่าพวกเราจะรู้ในว่าบาปกรรมในปัจจุบันนั้นคืออะไรถ้าพวกเราทํากรรมชั่วไปปศไปคดไปโพงไปพ้นไปจี้ผิดศีลห้าท่านะนั่นะนั่นแหละบาปกรรมตัวนี้เนี่ยเขาจะจับเขา้าคุกเขาา้าตารางนะท่นี่นี่แหละในปัจจุบัน ถ้าว่าตายไปแล้วก็ น, นั้นล่ะมันอยู่ในจิตในใจบาปอกุศตตัวนี้มันอยู่ในใจใจตัวนั้นเป็นคลังของบุญใจเป็นคลังของบาปถ้าว่าเราทํากรรมชั่วกรรมชั่วก็จะหลั่งไหลเข้าสู่ใจของพวกเราถ้าพวกเราทํากรรมดีกรรมดีก็จะหลั่งไหลเข้าสู่ใจิตใจของเราเพราะนั้นกรรมดีและกรรมชั่วเนี่ยอย่าทํำเสลยดีกว่าพโอเจ้าท่านว่าอคตังทุกตังเสยโยปัตชาตัปปติตุกตัง กรรมชั่วอย่าทําเสียเลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วนั้นย่อมเผาผ่านเมื่อภายหลังไปนั้นพวกเราท่านทั้งหลายในรู้แล้วว่าการกระทําทํากรรมทำได้กีฐานจำได้สามทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมกายกรรมคือการกระทําทางกายคือศินวจีกรรมก็คือศินมโนกรรมคือแนวความคิดตามให้จริงถ้าหากว่าใจของเรา มีสมาธิดีรู้จักเหตุรู้จักผลรู้จักสิ่งดีไม่ดีรู้จักสิ่งดีด ส, งดสิ่งชั่วเราคิดไปในทางที่ดีเป็นสัมมาทิฏฐิในจิตใจการกระทําออกไปก็เป็นเป็นทางที่ดีถ้าพูดออกไปก็เป็นพูดไปในทางที่ดีเพราะเหตุไรเพราะใจของเราเป็นสัมมาทิฏฐิแต่ถ้าว่าพวกเราจิตใจของเราเป็นมิจฉาทิฏฐิมีความเห็นผิดนะ เมื่อจิตใจเห็นผิดแล้วหัวหน้าเหตุผิดแล้วลูกน้องกับพลอยเห็นผิดไปด้วยเหมือนกันการกระทําก็ผิดการพูดก็ผิดไปด้วยเพราะฉนั้นท่านจึงให้ดูที่จิตที่ใจของพวกเราใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าสําเร็จแล้วรวยใจเพราฉะนั้นท่านจึงให้มีสมาธิถ้ามีสมาธิจะดูใจของตนเองวันนี้ขณะนี้เราคิดเรื่องอะไรมันไปในทางที่ถูกต้องไหมเป็นความคิดที่จะเบียดเบียนตนและผู้อื่นไหม ถ้าพวกเรามีสมาธิแล้วพวกเราจะรู้ในแนวความคิดของพวกเราท่านทั้งหลายเพราะนั้นหลวงพ่อได้ยกบาลีขึ้นเบื้องต้นว่าปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคารมุตตัมมังปูชาจะปูชนียานังบูชาบุคคลที่กวรบูชาอย่างองค์หลวงปู่มั่นเป็นยอดของพระกรรมฐาน เป็นต้นตระกูลของพระกรรมฐานจากนั้นพ่อแม่ครูบาอาจารย์องค์ต่างๆที่พวกเรารักเคารพนับถือเป็นบุคคลที่ควรบูชาอย่างยิ่งและจะตลอดถึงองค์หลวงตาที่ท่านทําเป็นตัวอย่างให้แก่พวกเราได้เห็นมากราบคารวะองค์หลวงปู่มั่นด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจของท่านด้วยความสนิทใจเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาได้พบ พ่อแม่ครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นตลงพ่อว่าเป็นผู้โชคดีอย่างมากเพราะฉนั้นอย่าทําความโชคดีจุดนี้ให้ไปทางอื่นนะควรจะสั่งสมคุณงามความดีควรจะมีศีลธรรมนประจําใจของพวกเราในถ้าว่าพวกเราก่อนดับก่อนนอนก็ควรจะไหว้พระไหว้พระสวดมนต์ซะก่อนยกงค่อยหลับนอนเพราะเราเป็นพุทธมามะกะพุทธบริษัท แล้วจากนั้นทําพอมีเวลามีเวลากลางค่ํากลางคืนให้ดับวิทยุให้ดับโทรศัพท์อยู่ตามลําพังแล้วแตให้นั่งภาวนาอย่างน้อยสักห้าหนาทีหรือสิบนาทเีเพื่อทําจิตใจให้สงบหลงพ่อว่าถ้าพวกเราทําไปเรื่อยๆอน่กําหนดลมอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวที่พระพุทธเจ้าได้ตดรัสรู้ทำกําหนดลมหายใจเข้าพุทหายใจออกโธทํทำกายให้ตรงอยู่นิ่งๆจากนั้น จิตของเราเข้าสู่ความสงบเป็นพื้นฐานแล้วต่อไปภายภาคหน้าเมื่อเท่าแก่ชลาถ้ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นเจ็บไข้ได้ป่วยเราจะหันจิตใจเข้าสู่สมาธิจิตใจของเราจะสงบเมื่อจิตใจของเรามีหลักยึดทางด้านจิตใจแล้วใจของเราจะไม่ว้าเหวอ่างว้างเงียบเหงาเศร้าซึมแต่ถ้าว่าพวกเราไม่ได้นึกถึงไม่ได้ปฏิบัต พอถึงจุดนั้นเมื่อเท่าแก่ชลามีแต่ความกลัวตายท่นี้ถึงจะกลัวหรือไม่กลัวมันก็ไม่มีความหมายเพราะชีวิตของพวกเราถึงยังไงก็จะตายอยู่แล้วไม่มีใครที่จะหลีกลี่หนีไปได้ที่ไหนเพราะฉนั้นพวกเราควรจะยึดทำคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจทําใจให้มีหลักยึดพุทโธธรรมโมสังโฆในจิตในใจพวกเราจะมีแต่ความสงบร่มเย็นเป็นสุขถึงข่าวนั้น ่ถึงคราวจวนเจณฑ์เยนหรือว่าถึงข่าวจดจวนจบชีวิตของพวกเราพวกเราก็บอกได้เลยอืถึงข่าวเราแล้วเหรอเราเห็นแต่คนอื่นตายวันนี้ถึงข่าวเราแล้วข่าวนี้เป็นครั้งสุดท้ายของเราแล้วแต่ถึงยังไงก็เถอะข้าพเจ้าได้สั่งสมขุณงามความดีเต้นให้ทานรักษาศีลภาวนาถึงจะออกจากโลกนี้ไปถึงจะละสังขารจากโลกนี้ไปข้าพเจ้าก็มั่นใจเหลือเกินว่าข้าพเจ้าต้องมีความสุขเพราะข้าพเจ้านั้นไม่ได้เบียดเบียน ผูหนึ่งผู้ใดข้าพเจ้าทําบุญทําทานอย่างเต็มเปลี่ยมเต็มความสามารถของข้าพเจ้าแล้วอันนี้ควรจะให้มีความมั่นใจอย่างนั้นในการเป็นอยู่ไม่ใช่ว่าตัวเองเป็นอยู่แล้วก็ทําไปเออเมื่อตายไปแล้วยังจะให้เขาทําบุญที่ส่วนกุศลให้อันนั้นเป็นความคิดที่ผิดนะเป็นความคิดที่ผิดขณะที่ยังมีชีวิตอยู่เราจะจะทําสิ่งไหนเราก็ทํำออารักษาศีลภาวนาไหว้พระสวดมนต์คุณงามความดีสิ่งไหน ที่จะเป็นประโยชน์ให้พวกเราทำเข้าสู่ตัวของเราเพราะว่าชีวิตของพวกเราไม่เทียงแท้แน่นอนอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวเพรา ะ, ะนั้นพวกเราอย่าตั้งอยู่ในความประมาทเดี๋ยวนี้พวกเราคอยวีซ่ากันอยู่อีกสักวันหนึ่งวีซ่ามาถึงพวกเราจะต้องเดินทางต่างประเทศทุกคนวันเกิดขึ้นมาเขาเขลียดวีซ่าไปแล้ววันดีคืนดีเขาจะส่งวีซ่ามาให้เราเมื่อเราได้รับวีซ่าแล้วเราก็จะต้องเดินทางต่างประเทศ ญาติพี่น้องก็ส่งขึ้นเมนจากนั้นก็หายเงียบไปเลยไม่กลับมาอีกไปต่างประเทศแล้วเพราะฉะนั้นก่อนที่จะไปต่างประเทศพวกเราเตรียมเงินไว้เลยอย่างเตรียมสบงเสบียงไว้เลยอย่างเตรียมกองทุนไว้เลยอย่างเป็นที่อุ่นใจของพวกเราแต่ว่าพวกเรายังไม่ได้เตรียมไว้ให้เตรียมไว้นะอีกสักวันหนึ่งแน่นอนนะพวกเราจะต้องเดินทางต่างประเทศไม่เป็นอย่างอื่นนะหลวงพ่อพูดหลวงพ่อพูดอยู่ในหลวงพ่อเองก็จะต้องเดินทางต่างประเทศเหมือนกัน หลวงพ่อจะเตรียมพร้อมไว้เหมือนกันตั้งอยู่ในความไม่ประมาทเหมือนกันเพราะว่าทุกคนจะต้องเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นศรัทธาญาติโยมลูกหลานทุกๆ ท, ท่านนะที่ได้ยินได้ฟังทำคําสั่งสอนของหลวงพ่อได้มาชี้แจงให้แก่พวกศรัทธาญาติโยมได้ฟังในวันนี้ก็เห็นว่าสมควรกับการเวลาด้วยอํานาจคุนพระศรีรัตนตรยัยพรพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์